นึกว่ามีแต่อภิปรายการเมืองมีใครไม่เคยเจอหลวงพ่อไหมมีไหมโอ้เยอะอย่างงี้ใช่ได้เรนหลวงพ่อเบื่อเบื่อพวกหน้าซ้ําๆำ <c oughs> ไปไหนนะแล้วก็ไปเราก็ไม่รู้จะเทศอะไรแล้วนะเพราะพวกนี้รู้หมดเลยพอเราขึ้นเกาะเอ้ยเกาะไก่เขาต่อเขาไข่ยอยู่ในเล้าได้ละนะคนที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อใครเคยฟังซีดีไหม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 คำว่าทุกในศาสนาพุทธนะีมันไม่ใช่แค่ว่า อ, อกหักเป็นทุกตกงานเป็นทุกนะ entrance เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ entrance อนะไร admit admit ไม่ได้เป็นทุกไม่ใช่อนะไม่ตื้นขนาดนั้นศาสนาพุทธสอนลึกซึ้งลงไปนะั้นว่าอะไรเป็นทนะุกขท่านบอกโดยย่อขันทั้งห้าเป็นทุกขันทั้งห้าพูดง่ายๆภาษาไทยก็คือกายนี้ใจนี้แหละคือตัวทุกกายนี้ใจนี้เราไปไหนเราก็เอาไปด้วย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 บุคคลแบกของหนักพาไปเนี่ยย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงเนี่ยเรามีวิธีปฏิบัติเจนกระทั่งเราไม่หยิบเฉวยกายไม่หยิบเฉวยใจนะกายมีอยู่ใจมีอยู่แต่ไม่หนักหลวงพ่อยกตัวอย่างนะแก้วน้ํานี้นะแก้วพลาสติกเนี่ยอันไหนจะหนักกว่ากันเราเห็นอย่างนี้เราก็ต้องบอกว่าแก้วน้ําหนักกว่าใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่หยิบแก้วน้ําไว้เราถือแต่พลาสติกไว้เนี่ยนะพลาสติกจะหนักกว่ากายนี้ใจนี้ก็เหมือนกันนะ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 บางคนเวลาทําบุญนะสมัยก่อนขอวงพ่อเคยเห็นเวลาทาบุญนะจบเลยนะอธิษฐานเจ้าประพุณด้วยบุญอันนี้เกิดชาติใดชั้นใดอย่าได้พบความทุกข์นี่แหละกาลังอธิษฐานว่าเกิดชาติไหนก็อย่าได้นิพพานถ้าไม่รู้ทุกข์อย่านิพพานไม่ได้ถ้าไม่รู้ทุกข์อย่านิพพานไม่ได้รู้ทุกข์รู้ตามความเป็นจริงการที่เราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนี่เรียกว่าวิธีรู้ทุกข์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 เรามีใจเราก็ลืมจิตใจตัวเองจิตใจจะสุขจิตใจจะทุกข์จิตใจจะดีจิตใจจะร้ายเรามองไม่เห็นละงั้นเมื่อไรเราลืมตัวเองเมื่อไรลืมตัวเองเมื่อนั้นจะไม่รู้กายรู้ใจเมื่อไรหลงไปคิดเราจะไม่รู้กายรู้ใจเราจะรู้แต่เรื่องที่คิดแม่ครูบาอาจารย์หลายองค์เลยท่านเคยพูดเหมือนเหมือนกันอย่างหลวงปู่ดูลท่านบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ถ้าคิดอยู่จะไม่รู้ ถ้ารู้อยู่จะไม่คิดแล้วเราคอยรู้ทันนะเวลาใจเราหลงไปคิดมันลืมกายมันลืมใจลืมความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติธรรมทายังไงเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาได้ไม่ยากหรอกถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตเราแอบไปคิดในฉับพลันนั้นเราจะตื่นขึ้นอย่างทันทีเลยเมื่อไร่รู้ว่าจิตแอบไปคิดเราจะตื่นในฉับพลันนั้นเลยเราจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมา สามารถรู้กายรู้ใจได้โดยอัตโนมัติเลยงั้นขั้นแรกเลยนะพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆศัตรูของความรู้สึกตัวก็คือใจลอยใจลอยหรือเหม่อเมอไปใครไม่เคยเหม่อมีไหมในห้องนี้มีไหมหลวงพ่อขอดูโฉมหน้ารู้จักเหม่อไหมรู้จักเหม่อไหมรู้จักใจลอยไหมเด็กสมัยใหม่แล้วไม่รู้จักคําว่าใจลอยต้องบอกเหม่อเพอรู้เหม่อเ่อเผลอเไปเผลนเไป ขณะที่เหมอไปเผลอไปเพลินไปนั้นมีกายก็เหมือนไม่มีลืมมันมีใจก็เหมือนไม่มีเคยเห็นคนโทรศัพท์ไหมคนเวลาพูดโทรศัพท์เวลาพูดสัง เ, เกตไหมต้องออกท่าออกทางเห็นไหมทําท่าแปลกๆทาท่าพิลึกพิลึ ก, ลกสาวๆบางคนนะไม่ใช่แอบดูนะอเผอิญมันเห็นโทรศัพท์นะโทรศัพท์ไปก็แคร์ันบ้างแค่หูบ้งเก้าหัวบ้าง ถ้าถ้ามีสติอยู่จะไม่ทำใช่ไหมขณะนั้นท่านทำไมทำอ่ะมันลืมตัวเองไปเกิดคันหูมันก็แคะหูเกิดคันหวงก็เกาหัวนะทำยุกยิบยุกยิบนะอยากดูคนบ้าไปดูคนโทรศัพท์นะเหมือนจริงๆนะว่าอะไรตอนน้นขาดสติอย่างแรงเลยคนบ้าไม่มีสติหรอกนะจะเผลอเพลินไปนะทำท่าแปลกๆแล้นะเราคอยรู้สึกนะอย่าให้น่าเกลียด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 ต้าไปจิตไหลไปคิดนะจิตไหลแวบไปไหลไปคิดนิดเดียวเนทะ่านั้นสติจะเกิดขึ้นเองเพราะจิตมันจําได้แล้วว่าจิตที่หลงไปคิดเป็นยังไทงทันทีที่รู้ว่าจิตไปคิดนะจิตจะตื่นขึ้นมาจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความจริงความคิดปิดบังความจริงเอาไว้ถ้าเมื่อไรเราตื่นขึ้นมาเรารู้ทันว่าจิตหนีไปคิดเมื่อไร่เราจะตื่นขึ้นในฉับพลันนั้นเลยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อเทียน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 คนในโลกที่ไม่เคยเรียนธรรมะไม่เคยฝึกปฏิบัติเนี่ยหลงวันละหนึ่งครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่เคยรู้สึกตัววันละครั้งเดียวแต่ผู้ปฏิบัตินะพอใจไหลไปคิดแวบรู้สึกนี่หลงเป็นหทีแล้วเดี๋ยวก็ไหลอีกแวบหนึ่งรู้สึกอีกนั่นคนปฏิบัติจริงปฏิบัติเก่งนะจะหลงวันหนึ่ง100ครั้งพันครั้งหมื่นครั้งนาทีหนึ่งหลงตั้ง10ครั้ง20ครั้งเนี่ยแล้วจิตไหลไปคิดก็รู้สึกจิตไหลไปคิดก็รู้สึก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 ความจริงของกายของใจก็คือไตรลักษณ์นั่นเองอันนี้จังทุกขังอนตัตตากายนี้มันเคลื่อนไหวตลอดเวลามีกายของใครไม่เคลื่อนไหวตลอดเวลาไหมมีไหมหัวใจหยุดเต้นยังหัวใจก็ยังไม่หยุดเต้นมันยังทํางานเห็นไหมมันเคลื่อนไหวเลือดก็ยังวิ่งอยู่ในตัวเองลมหายใจก็ยังทํางานอยู่เลือดก็วิ่งไปเรื่อยๆร่รรางกายนั้นก็ทํางานตลอดเวลาเคลื่อนไหวตลอดเวลาถ้ามองให้หยาบขึ้นมานั้นเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้า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 ยกโทษให้จมเลยถ้าไม่เมื่อยเราจะขยับตัวทําไมสังเกตไหมเราขยับตัวอยู่ตลอดเวลาเลยนั่งตรงนี้เมื่อยให้มันก็ขยับนิดหนึ่งเนี่ยแก้เมื่อยแล้วเราขยับเนี่ยเล็กๆน้อยๆเนี่ยจริงๆขยับแก้เมื่ อ, อยตลอดเวลาเลยเห็นไหมเดี๋ยวต้องเน้นตรงนี้เี่ยแก้เมื่อยมันจริงๆแล้วร่างกายนะ่ะทนอยู่ในภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้นิ่งๆอยู่งันไม่ได้มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลย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 ร่างกายอย่างพวกเราอยากรู้สึกว่าลูกตาของเราปวดนี่คนทั่วๆไปนะถ้าเจ็บตาเราจะรู้ตาของเราเจ็บตาของเราปวดถ้าหัดภาวนามาได้ดีขึ้นนะจะเห็นว่าตามันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บถ้าภาวนาดีมากกว่านั้นนะจะเห็นว่าตาก็ไม่ได้เจ็บนะแต่ความเจ็บแอบเข้าไปอยู่ในตาเนี่ยจะเป็นลําดับลําดับไปนะสุดท้ายกายก็ไม่ทุกนะใจก็ไม่ทุกนะความทุกเป็นสิ่งที่อยู่ตห่ห่านี่ค่อยๆฝึกนะแล้วมันเป็นเองแหละ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 เวลารู้ลมหายใจเอาจิตไปจ่อไว้ที่ลมหายใจไม่ให้หนีไปที่อื่นเวลาดูท้องพองยุบนะเอาจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องไม่ให้จิตหนีไปที่อื่นเวลาเดินจงกรมยกเท้ายั่งเท้าเอาจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าไม่ให้ไปที่อื่นนี่เป็นการบังคับตัวเองทั้งสิ้นเลยบังคับกายบังคับใจตลอดเวลานี้ไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาไม่ใช่การบังคับตัวเองวิปัสสนาคือการรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นตามความเป็นจริงรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง มันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปบังคับมันบางคนบอกว่าหมูนี้ภาวนาไม่ดีเลยเมื่อไร่ผมจะเก่งเหมือนคนอื่นนะคนอื่นเขา n ั่งได้โตรุ่งเขาทนความเจ็บปวดได้เขาเอาชนะเวทนาได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เอาชนะเวทนาเวทนาเป็นขันนะเป็นวิบากหน้าที่ของเราต่อเวทนาคือการรู้ขันห้าเป็นกองทุกนะยกเว้นตัวตัณหาตัวเดียวเป็นตัวสมุทยัย ขัน5้าเป็นกองทุกหน้าที่ต่อทุกคือการรู้เพราะงั้นไม่ใช่นั่งเพื่อจะเอาชนะเวทนาแต่นั่งจนเกิดปัญญาเห็นในกายอยู่ส่วนหนึ่งเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะงั้นกายจะเจ็บปวดนะมีความปวดแทรกเข้ามาในกายเนี่ยจิตจะไม่ทุรนทุนทนรายเลยนี่กายกับจิตมันคล้ายๆล้าต่างคนต่างทํางานไปเนี่ยฝึกมากๆนะต่อไปเวลาเราเจ็บหนักใกล้จะตายเราจะเห็นเลยร่างกายมันนอนอยู่ความเจ็บปวดทั้งหลายนะมันแอบเข้ามาอยู่ในร่างกายไม่ใช่ร่างกายด้วย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 ถามว่าอะไรเกิดดับไม่รู้ว่าอะไรเกิดดับเพราะไม่มีสมมติบัญญัติอีกต่อไปแล้วไม่ได้คิดนึกลุงแต่งแล้วเห็นแต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นอย่างนี้เสแล้วจิตจะวางสิ่งที่จิตรู้เนี่ยทวนกระแสเข้าหาจิตทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้แท้ๆนะถ้าจากนั้นอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นจะกดลากถอนคนกิเลสเข้าทําของเขาเอง เวลาที่อริยามรรคเกิดนะัเกิดเพียงหนึ่งขณะเท่านั้นไม่เกิดสองขณนะเมื่อเกิดอริยามรรคแล้วเนะี่ยจิตจะไปเห็นนิพพานนะแล้วถัดจากนั้นเนี่ยจิตก็ไม่มีงานทำแล้วจิตจะเสวยความสุขอยู่สองสามขณนะเห็นนิพพานอยู่กับนิพพานสองสามขณะเสร็จแล้วจะถอยออกมากลับมาสู่โลกภายนอกเหมือนที่เราอยู่กันตอนเนี้นะถัดจากนั้นจิตมันจะทวนเข้าไปทบทวนตัวเองเลยว่ากิเลสอะไรเนี่ยมันล้างไปแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่งานที่เรายังต้องทํายังมีอีก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 กลายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเราเป็นยังไงรู้ว่าเป็นย่งั้นรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆนะตามดูของจริงไปเรื่อยๆถึงจดหนึ่งปัญญามันแจ้งขึ้นมากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆยากไหมกว่าจะเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆยากที่สุดเลยพวกเรายัางไม่มีใครเห็นที่นั่งน่าสลน่นพวกเรารู้สึกไหม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 มีสติคืออย่าหลงไปคิดโน้นคิดนี่นะให้คอยรู้สึกกายรู้สึกใจพอรู้สึกกายรู้สึกใจแล้วอย่าบังคับกายบังคับใจนะกายเป็นยังไงก็ดูไปอย่างนั้นแหละรู้ว่าเป็นอย่างงั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอนี้อย่าไปบังคับมันผู้ปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยชอบบังคับกายบังคับใจเช่นจะเดินจงกรมนะก็ต้องเดินไม่เหมือนคนธรรมดานะผิดปกติแล้วเครียดเครียดจะนั่งสมาธินะจะหายใจจะทําอะไรผิดธรรมดาไม่เหมือนคนปกติเครียดไปหมดเลย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 เหลือใจอันเดียวใจนี้เราก็อย่างยึดอยู่เรารู้สึกว่าใจนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยใจที่มีความรู้สึกตัวหล่อเลี้ยงอยู่นี่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจนี้คือที่ฝากเป็นฝากตายใจนี้มีสุขล้วนๆเห็นไหมมิจฉาทิฏฐินั่นะใจเป็นสุขล้วนๆเนี่ยเราเฝ้ารู้จิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไปนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ไปอย่างสบายๆถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นว่าตัวผู้รู้ตัวจิตผู้รู้เอง ก็ยังตกอยู่ใต้ไตร rein, ลักษณ์ไม่เทีย่ยงเหมือนกันถูกบีบคั้นเหมือนกันบังคับไม่ได้เหมือนกันถ้าเห็นอย่างนี้เห็นแจ้ ง, งนี้นะมันจะสลัดคืนจิตให้โลกไปมันทิ้งจิตนะจิตก็ยังมีอยู่จิตก็ทําหน้าที่ของจิตแต่ไม่ยึดถือจิตกายก็มีอยู่นะกายก็ทําหน้าที่ของกายแต่ไม่ยึดถือกายนั้นถัดจากนี้ไปเนะียร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายนะเราจะไม่เดือดร้อนกับมันอีกต่อไปแล้วพราะเราไม่ยึดถือมัน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 เรตอนอยู่ด้วยกันมีความสุขก็พอแล้วนี่ก็ได้มีความสุขมาช่วงหนึ่งแล้วก็ดีแล้วดีกว่าไม่มีเลยนะถึงสมควรแล้วสมควรมันทิ้งไปแล้วต่อไปนี้เราจะได้ภาวนางเราสบายนะแล้วค่อยฝึกนะแล้วเราจะอยู่ด้วยตัวของเราเองได้เราฝึกแล้วเราไม่ต้องพึ่งพาง้องอนไข่ความสุขที่ต้องพึ่งพาคนอื่นที่ต้องพึ่งพาสิ่งอื่นนะั้นมันทําให้เราตกเป็นทาสของคนอื่นและสิ่งอื่น ชาวพุทธนั้นเราจะฝึกจนเราเป็นอิสระเมื่ อ, อไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจก็ไม่ต้องไปยึดถือคนอื่นสิ่งอื่นเราไม่ต้องงอไครเลยความรู้สึกที่มีต่อผู้อื่นสิ่งอื่นนะมันเป็นความเมตตากรุณาล้วนๆเลยเขาเนี้ยแต่ไม่คิดจะมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเพราะฉะนั้นคนในโลกนะไม่รู้จกักเมตตารู้จักแต่ราคะอย่างลูกเนี่ยเราไม่ได้เมตตาลูกธรรมดาเรามักจะมีราคะคือเป็นของเราเข้ามาด้วยใช่ไหม แทรกเข้ามาถ้าเมื่อไรากายนี้ใจนี้เราก็ยังไม่ยึดนะก็ยะไม่ยึดอะไรในโลกแต่ว่าปฏิบัติหน้าที่ไปนะเพื่อก .gnu งสมเคราะห์โลกไปยังมีหน้าที่เลี้ยงลูกก็เลี้ยงไปมีหน้าที่เลี้ยงสามีก็เลี้ยงไปยุคนี้ผู้ชายเป็นช้างเท้าหลังเยอะนะบางคนนะเคยบอกหลวงพ่อว่าภรรยาผมเป็นช้างเท้าหลังแต่ผมเป็นหางช้าง <laughs> <laughs> งั้นเราฝึกนาะเราฝึกมันหนึ่งเราจะได้อิสรภาพ อิสระจริงๆไม่ใช่อิสระพูดลอยๆนิพพานมีจริงๆนิพพานเป็นอิสระภาพจริงๆนิพพานมีความสุขจริงๆนิพพานไม่ใช่สภาวะในอุดมคตินิพพานเป็นของจริงที่มีอยู่จริงๆแล้วก็อยู่ต่อหน้าต่อตาเรานี่เองเพียงแต่จิตของเราไม่มีคุณภาพพอที่จะเห็ น, นงั้นถ้าเมื่อไรจิตเราไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะพ้นจากกายจากใจคือพ้นจากรูปนามไปเราจะเห็นนิพพานโดยอัตโนมัติ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 งั้นเมื่อไหรรู้ทุกแจ่มแจ้งรี่ว่ารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งว่ามันเป็นตัวทุกข์จริงๆนะีความอยากจะดับโดยอัตโนมัติงั้นรู้ทุกเมื่อไหร่นั้นก็จะละสมุทัยเมื่อนั้นนี่เป็นธรรมะที่อศัศจรรย์ที่สุดเลยนะคืออริยสัจถ้ารู้ทุกเมื่อไหร่นะก็จะละสมุทัยเมื่อนั้นทันทีที่สมุทัยคือความอยากไม่เกิดขึ้นอีก เพราะเราไม่ยึดกายไม่ยึดใจเราจะอยากทำไมจะอยากให้กายให้ใจเป็นสุขจะอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ทไมเพราะเราไม่ยึดมันแล้วเมวื่อความอยากไม่มีนิพพานจะอยู่ต่อนหน้าต่อตาเพราะนิพพานคือวิราคะคือความท้นจากความอยากไม่มีความอยากใจก็ไม่ต้องดิ้นรนไม่ดิ้นรนเรียกว่าวิสังขารนีร่ก็เป็นนิพพานเรียกนิพพานว่าวิสังขารก็ได้ถ้าเราฝึกนะวันหนึ่งใจเราจะเข้าถึงวิราคะใจเราไม่ไปยึดอะไร ใจเราเข้าถึงวิสังขารใจเราไม่ดิ้นรนปรุงแต่งอะไรใจเรามีความสุขล้นล้นใจเราหยุดหลุดพ้นจากความยึดถือกายยึดถือใจเรียกว่าวิมุตตนะ์ใจเราไม่ผูกพันกับสิ่งใดในโลกเรียกว่าอนารยาอนาลายไม่อารนะไม่อาเอาบอนนี่เป็นชื่อของนิพพานทั้งสิ้นเลยชีวิตที่เหลืออยู่จะเป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขและเป็นชีวิตที่สมบูรณ์อยู่ในตัวเอง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 เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลละนานเทินยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวาอิโตดินังเปตานังอุปคภัติอิชิตังปจิตังตุมหังขิ ป, ปเมวะสมิจชตุสัเพเภปุเรนตูสังกปาจันโทปนรรโสยถามณีโชติราโสยถาสพีติโวิวัตชันตูสภาโรโควินาสตู มาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภาวะอาภิวาธนาศิริสนิจจังุทธาปจจายโนจัตตาโรธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังพะลังหัดนะ้าภาวนาไปฟังซีดีหลวงพ่อเพิ่มนะค่อยๆฟังไปพอเข้าใจเนียจิตจะตื่นอย่างรวดเร็วเลยคนไหนที่ตื่นขึ้นมาแล้วเนียการภาวนาที่เหลือจะง่ายลนะ